วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19พุก้พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหลังวันวิสาขบูชาหนึ่งวันวันวิสาขา บ, บูช า, า, า, บบชาเป็นวันที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน พอเป็นวันประสูต์คือวันเกิดของพระพุทธเจ้าและเป็นวันตัดสรุหรือการบรรลุถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าและวันสเสด็จ ด, ดับคันธปารานิพพานคือวันตายของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้น ในวันเดียวกันวันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีการประสูติหรือการเกิด น, นี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของนักปราชผู้ประเสริฐที่จะมาโปรดสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวันเกิดจึงถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเราคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตัดสร้แล้วก็ไม่มีการดับคันปาริณิพาน เราจึงให้ความสำคัญกับวันทั้งสามวันนี้ที่ปรากฏขึ้นตรงกันในวันเดียวกันและเดือนเดียวกันเรื่องของการเกิดนี้เราก็คงจะเข้าใจกันเพราะพวกเราทุกคนก็เกิดเหมือนกันการเกิดของพระพุทธเจ้า คือเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เหมือนกับการเกิดของพวกเราที่เรามาเกิดเป็นมีฐานะต่างกันไปแล้วแต่สถานภาพของบิดามารดาการเกิดนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันได้ง่ายแต่การตัดสู้ของพระพุทธเจ้านี้ เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันคือคำว่าการตัดสรุนี้แปลว่าการที่พระพุทธเจ้าได้สรงรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองทางสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายกำลังตกอยู่และกำลังติดอยู่ ได้จะติดยึบไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีการตัดสร่งของพระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้นั้นเป็นวันที่จิตของพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นพระนิพพานไปคําว่าพระนิพพานนี้หมายถึงจิตของพระพุทธเจ้า ที่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเหตุที่พาให้พระพุทธเจ้ามาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พาให้พุทธเจ้าและสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่การตัดสั้วันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้นั้น เป็นวันสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการตัดสัูลพะอริยรรสัจสี่ที่ทรงเห็นว่าการที่พระไทยของพระองค์ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจาก ตันหาความอยากกา마ตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจารุและทรงปฏิบัติไปพร้อมๆกันในวันนั้นจน ตัณหาความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกและพระทัยของพระพุทธเจ้านี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพได้สิ้นสุดลงในวันนั้นนั้นวันวันตัดสิรุก็คือวันที่จิตของพระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วแต่พวกเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้า นิพพานตอนที่ตายเพราะเราใช้คำว่านิพพานแทนคำตายเพราะว่าคนเราหรือชาวไทยเหล่านี้ไม่ชอบคำว่าตายเราจึงใช้คำอื่นแทนคำตายเช่นดาราพระเจ้าแผ่นดินตายเราก็เรียกว่าเสด็จสวรรคตคือไปสวรรค์พอพระพุทธเจ้าตาย เราก็เรียกว่าไปนิพพานสเสด็จดับขันธะปรินิพพานดังนั้นเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานตอนที่ตายซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไปคิดว่ า, าจะไปนิพพานต้องตายถึงจะได้ไปนิพพานอันนี้เป็นความเข้าใจผิด ที่อาจจะทำให้ชาวพุทธเราบางส่วนกลัวพานิพานกันเพราะเรากลัวความตายกันเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากเกิดแก่เจ็บตายอยู่เราเลยกลัวความตายกันแต่คาว่าวันเสด็จดับขันธ์าพานิพานถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือวันตายนี่เอง วันตายของร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่จิตของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นจิตของใครก็ตามจิตของพวกเราทุกคนก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราเพียงแต่ว่าเวลาเราตายเวลาร่างกายตายเราก็ใช้สรรพนามอย่างอื่นแทนคําว่าตายะ เพราะคำว่าตายนี้มันฟังแล้วหดหูใจเลยไม่ใช้คำว่าตายเวลาตายเราก็จะเรียกตายไปตามสถานภาพบุคคลที่สำคัญก็มีเสด็จสวรรค์นกหรือมีคำอื่นเป็นพระก็มรณมรณภาพอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจว่า คำว่านิพพานนี้ไม่ใช่แปลว่าความตายเราเพียงแต่เอามาใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองว่าพระพุทธเจ้าได้ไปพระนิพพานแล้วแต่ความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าไปนิพพานตั้งแต่ตอนที่ตัดสรตวคือตอนที่อายุสามสิบห้าปีพระพุทธเจ้าทรงออกบวชอายุยี่สิบเก้าปี และได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอยู่หกปีจนค้นพบพระอริยสัจสี่ที่พระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้สิน้นให้หมดสิ้นไปพอตัณหาความอยากต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถูกกบจัดหมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจก็ไม่ต้องไปเวียนไ่ว้ตายเกิดเดกต่อไปใจที่ไม่ได้เวียนไ่ว้ตายเกิดนี้เราเรียกว่านิพพานใจของพวกเราทุกคนนี้ก็สามารถไปนิพพานได้ด้วยกันทุกคนถ้าเราได้พบกับพระอริยสัจสี่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี่ได้ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้ครอบท่วนบริบูรณ เราก็สามารถไปนิพพานได้ซึ่งมีบุคคลที่ไม่ที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังพระอริยสัจสี่แล้วนำเอาไปปฏิบัติก็ไปถึงพระนิพพานกันเป็นจํานวนมากบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตาสาวก พราหลานตสาวกก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรเกินปุตุชนอย่างพวกเราเป็นปุตุชนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นผู้มีความฝ่ฝันที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์จึงไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย พอได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระโอษ์โดยตรงหรือจากหนังสือที่ได้มีการบันทึกเอาไว้พอได้ศึกษาได้นำมาไปปฏิบัติก็สามารถกำจัดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้ใจก็เลย ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปก็เรียกว่าพระอรหันต์นี่เองพระอรหันตสาวกพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันตสาวกได้เพราะพวกเรามีจิตใจเหมือนกับพระอรหันตสาวกถ้าเรามีความปรารถนามีความยินดีที่จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลก็จะเป็นพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของพวกเราทุกๆคนนี่คือคําว่านิพพานขอให้เขา้าใจว่าคําว่านิพพานนี้ไม่ใช่แปลว่าตายเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้แทนคําตายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือของ พ, าาพาอาราะสาวกพระอาจารย์ตสาวกเช่นครูบาาจารย์บางรูปที่เราเคารพนับถือ และเชื่อว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกเวลาท่านตายแล้วก็บอกว่าท่านนิพพานแล้วแต่คำว่านิพพานนี้ไม่ได้แปลว่าตายคำว่านิพพานนี้มีสองสองความหมายด้วยกันภาษาบาลีนี้เขาเรียกอนุเสสะนิพพานสาอนุเสสะนิพพานกับ อนุเสสะนิพานอะไรเนี่ยสองคำนี้ความหมายก็คือจิตใจที่นิพานในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่เช่นจิตใจของพระพุทธเจ้านิพานตอนที่ร่างกายอายุย9สบปีแล้วมีนิพานอี ก, อ, กอีกแบบหนึง่งคือนิพานที่ไม่มีร่างกายคือเวลาที่ร่างกายตายไป เราก็เรียกว่านิพานอีกแบบหนึ่งมีสองนิมมีสองความหมายด้วยกันแต่ก็เป็นจิตที่นิพานที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าภาษาสมมุติที่เราใช้กันเราก็เลยแบ่งเป็นสองลักษณะนิพานขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ และนิพพานในขณะที่ร่างกายหมดสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ก็เป็นจิตดวงเดียวกันจิตที่ไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปส่วนจิตของพวกเราตอนนี้ถ้าตายไปจิตของพวกเรานี้จะไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปเรายังมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่อยากหาความสุขจากคนนั่นคนนี้อันนี้ก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการที่เราจะเห็นคนนั้นได้ก็ต้องมีตาการที่เราจะได้ยินเสียงของเขาได้เราก็ต้องมีหูก็ยังเป็นการเสพกรามอยู่ การเสพการมคุณหาจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่จนจากอาหารจากเครื่องเดิมจากรูปภาพชนิดต่างๆเช่นภาพพยนต์ภาพของละครภาพของการร้องลัมทำเพลงและเล่นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการมคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะาที่จิตใจของโลกเหล่านี้ ยังไฝ่ไหาอยู่ยังต้องมีให้เราได้เสพได้สัมผัสอยู่พอเวลาที่เราขาดรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัณฑก็เหมือนกับเวลาที่ร่างกายขาดอาหารจะรู้สึกหิวจะรู้สึกทรมานเราจึงต้องหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสพกันอยู่เรื่อย โดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสมีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าที่เราหิวก็เพราะตะการมากตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันอยู่ในใจของเรานี่เองมันจึงทำให้เราหิวเราอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลา นอกจากรูปเสียงกิจรดแล้วเราก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่มอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีความสุขเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากอีกชนิดหนึ่งก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม ไม่อยากไม่ทุกข์อยากไม่ลำบากอยากไม่ยากจน อ, อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อ, อยากไม่ให้คนนั้นคนนี้มาว่ามาด่าเรามาทำร้ายเรานี่ก็เป็นความอยากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าเรายังมีความอยากทั้งสามเหล่านี้อยู่ในใจของพวกเรา หรือไม่ครบทั้งสามก็เือก็ก็ยังถือว่ามีความอยากอยู่สมมติว่าเราอาจจะไม่อยากได้รูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐภะแต่เรายังอยากมีอยากเป็นอยู่ยังอยากให้คนเขาเคารพนับถือเราอยู่อยากไม่ให้เขามาดูถูกเหยียดหยามเราอันนี้ก็ยังมีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกแตถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ใจเราไปถึงนิพพานหรือยังก็ดูตรงความอยากนี่ว่าเราอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องดูต้องฟังอะไรได้ไหมไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะได้ไหมถ้าจะกินจะดืม่มก็กินดื่มเพื่อร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่กินดื่มเพื่อจิตใจการกินดื่มของเพื่อร่างกายกับกินดื่มของจิตใจนี้ต่างกันถ้ากินดื่มเพื่อร่างกายนี้กินอะไรก็ได้ดื่มอะไรก็ได้ขอให้ร่างกายมันได้รับการดูแลจากการกินการดื่มแต่ถ้าการกินการดื่มเพื่อจิตใจนี้เราจะเลือกต้องกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้ เดิมเครื่องเดิมชนิดนั้นเครื่องเด่มชนิดนี้พอเรามีความอยากอยากจะดื่มอาหารอยากจะดื่มเครื่องดื่มเดื่รับประทานอาหารที่ถูกอกถูกใจเราเพื่อทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ายังเดิ่มยังรับประทานด้วยความอยากอยู่ถ้าดื่มและรับประทานด้วยความไม่อยากนี้ก็ รับประทานอะไรก็ได้ดื่มเครื่องดื่มลู่น้ำชนิดไหนก็ได้เพื่อมาบรรเทาความหิวความขาดแคลนของร่างกายเท่านั้นอันนี้ถ้าเรายังเดิมยังอยากเด่มยังอยากรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อยากเดิมเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เพราะการเกิดมันมีความแก่ความเจ็บความตายตามมามีการพัดภาคจากกันตามมาเราก็ต้องฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าสิ่งไหนไม่จําเป็นก็อย่าทำถ้าจําเป็นนี่ทำได้การกระทาด้วยความจาเป็นนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทาด้วยความอยาก วิธีที่เราจะรู้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ให้ถามดูว่าถ้าสิ่งที่เราต้องการนี้ถ้าเราไม่ได้มันแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นถ้าสิ่งที่เราต้องการมันจะทำให้ร่างกายนี้ตายถ้าไม่ได้มาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็ไม่ถือว่าเป็นความอยาก แน่นลมหายใจนี้จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีลมหายใจร่างกายจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความจำเป็นก็ต้องมีลมหายใจแต่ต้องเป็นลมหายใจที่มีกลิ่นชนิดนั้นชนิดนี้หรือไม่อย่างนี้ไม่จำเป็นบางคนต้องมีลมหายใจที่มีกลิ่นหอมๆไปซื้อน้าหอมมาโปะแถวจมูกแถวร่างกาย เพื่อเวลาหายใจเข้าไปก็จะได้กลิ่นหอมอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากจึงไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําหอมกันเอแต่ยังอยากใช้น้ําหอมอยู่ก็แสดงว่ายังเป็นความอยากอยู่แต่ถ้าเอาลมหายใจที่บริสุทธที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตการดํารงชีวิต เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่เราต้องเอามาใช้กับการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องดื่มทีม่เมื่อกี้เราพูดถึงกันหรือเครื่องนุ่งห่มคือเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็สามารถจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใช้ด้วยความจําเป็นหรือใช้ด้วยความอยากก็ได้ถ้าใช้ด้วยความจําเป็นก็คือมันไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ต้องหามาเช่นเกิด ถูกขโมยขึ้นบ้านขโมยเสื้อผ้าไปหมดบ้านไม่มีเสื้อผ้าอยู่มีชุดเดียวที่ใส่อยู่ก็ต้องหาซื้อใหม่เพราะมันจําเป็นเพราะว่าชุดนี้ต้องเปลี่ยนต้องเอาไปซักเวลาซักก็ต้องมีชุดอื่นมาใส่แทนอย่างนี้ก็เรียกว่าจําเป็นที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่แต่ถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้ว แล้วเรายังไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาม า, มาอีกพอเราเห็นแล้วมันสวยมันงามเราชอบเราอยากได้อันนี้ถ้าซื้อมาก็ถือว่าซื้อด้วยความอยากถ้าซื้อด้วยความอยากก็รับประกันได้ว่าตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะมันอยากจะซื้อของพวกนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นการที่ถ้าเราต้องการที่จะไม่กลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการแ ก, ก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพัดพากจากกันเราต้องมีความพิถีพิถันมากเกี่ยวกับการที่เราจะทำอะไรเราควรจะถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะนี่เป็นความอยากหรือเปล่าถ้าเราไม่มีมาตรการเหล่านี้เราจะไม่มีวันที่จะกําจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นความอยากอันไหนไม่เป็นความอยากแล้วอีกอย่างหนึ่งความอยากที่ดีมันก็มีอยู่เป็นความอยากที่จะว่าไม่จำเป็นก็นได้สำหรับร่างกายแต่เป็นความจำเป็นของจิตใจคือความอยากหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็ถือว่าเป็นความอยากที่ดี ความอยากไปพระนิพพานนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีความอยากทําบุญทําทานความอยากรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจนั่นเองดังน้นบางทีเวลาถ้าแสดงพูดว่าความอยากนี้คนฟังแล้วบางทีอาจจะไม่ ไม่รู้ว่าความอยากแบบไหนเป็นความอยากที่ต้องมีความอยากแบบไหนเป็นความอยากที่ต้องกำจัดเนี่ยก็เลยต้องบางทีต้องอธิบายรายละเอียดให้ฟังความอยากที่ต้องกำจัดที่มีอยู่ก็สามกลุ่มอย่างที่ได้แสดงไว้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เพราะมันไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีถ้าถ้าอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ถือว่าเป็นความอยากแต่ถ้าอยากในสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากเป็นความจำเป็นเ็นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็จำเป็นจะต้องมีแต่ก็ต้องมีในในกรอบของความพอดี ถ้ามีมากเกินไปก็ถือว่าเป็นความอยากมีน้อยเกินไปก็ถือว่าเป็นความอยากเหมือนกันเช่นอยากจะประหยัดไม่อยากจะใช้มากเกินไปโดยทำให้ทาให้มีผลเสียหายต่อร่างกายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกิเลสอีกแบบหนึง่งเะฉั้นต้องให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเรียกว่าถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นความอยากถือว่าเป็นความจำเป็นถ้าอยากจะดูตัวอย่างของความพอดีในเรื่องปัจจัยสี่ก็ให้ดูคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุปฏิบัติพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสมบัติอยู่8ชิ้นด้วยกัน ที่เรียกว่าอาถบริขารให้มีบาตหนึ่งใบบาตนี้เป็นเครื่องมือหาอาหารให้บินทบาทเลี้ยงชีพนี่การอยู่ของการกินของพระให้กินด้วยการบินทบาทแล้วให้ถือธุดงควัตคือให้กินมือเดียวและการกินแบบไม่กินด้วยความอยากก็ ให้เอาอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวหวานรวมเข้าไปในบาทรเหมือนกับเวลาที่มันจะไปรวมกันในท้องอาหารทุกชนิดที่เรารับประทานกันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องแต่ทำไมเวลากินทำไมต้องต้องให้มันกินตามลำดับต้องแยกกินอาหารชนิดนี้จากอาหารชนิดนั้นอาหารขาวต้องกินกับต้องกินตอ น, นกับอาหารขาว อาหารหวานต้องกินกับอาหารหวานผลไม้ต้องกินกับผลไม้อันนี้เรียกว่ายังกินตามความอยากอยู่เพราะเรายังอยากแยกรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารถ้ากินตามความต้องการของร่างกายก็เอาไปรวมกันในบาทการกินรวมกันในบาทนี้ท่านก็มีแบ่งไว้สามลักษณะด้วยกันแบบแบบที่ โหดโหดเลยก็คือเอาอาหารทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องไปรวมกันในท้องนี้ให้มันคลุกกันในบาตไว้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ขนมนมเนยอาหารอะไรที่จะเข้าไปในท้องจะไปรวมกันในท้องให้มันรวมกันในบาตเลยใส่เข้าไปแล้วก็คลุกมันใส่ขนมจีนใส่ข้าวผัดใส่พิซซ่า ใส่ขนมเคก้กใส่กล้วยบวชชีอะไรก็ตามใส่อ ง, งุ่นใส่แตงโมใส่เข้าไปในบาทแล้วก็คุกก็คนมันเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในทอ้องนี่นี่คือวิธีรับประทานโดยไม่มีความอยากวิธีรับประทานเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารที่พวกเรามักจะต้องแยกแยะ ก, กัน แม้แต่จานบางทียังต้องแยกเลยจานของอาหารคาวนี้จะมากินกับของหวานไม่ได้นะคนที่เขามีฐานะดีๆนี่เขามีแยกจานกันกินอาหารขาวหวานก็จานหนึ่งพอกินอาหารหวานก็ต้องอีกจานหนึ่งเอาเอาเอาของหวานมาใส่ในจ า, านอาหารขาวไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปเจอกันในท้องอยู่ดีทำไมต้องไปแยกมันให้เหนื่อยยากทำไม นี่นี่คือความหลงความหลงในรสชาติของอาหารเลยทำให้ต้องแยกพออาหารข้าวมาเจออาหารหวานในจานนี้กินไม่อร่อยแล้วเสียรสชาติแล้วกินไม่ลงขึ้นมาทันทีนี่เรียกว่ากินแบบตันหากินแบบความอยากกินแบบกิเลสกินแบบเวียนว่ายตายเกิดพูดง่ายๆถ้าอยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กินแบบนี้ให้เลือกกินมีอาหาร มีอาหารเป็นส า, สามชุดด้วยการเท่าเท่อาหารชุดอาหารเบาก่อนแล้วก็อาหารหนักแล้วก็ตามตามด้วยของหวานขนมนมเนยอันนี้กินเพื่อเวียนว่ายตายเกิดถ้ากินไม่เพื่อเวียนว่ายตายเกิดก็ให้มันคุกกันไปรวมกันไปในชามเลยถ้าไม่มีบาตรก็หาชามใหญ่ๆมาสักใบนึง แล้วก็เอาอาหารทุกอย่างที่จะกินนี้เข้าไปรวมกันในชามนี่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ลองตัดกินดูถ้าไม่ไปดูมันนะถ้าหลับตารับลองได้ว่าจะชอบนะเพราะรสชาติมันอร่อยนะมันมีครบชุดทุกทุกชนิดเลยทั้งขาวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งทั้งเปรี้ยวจริงจริงเนี่ยเมื่อเช้านี่แล้วว่ากินคุกแบบนี้ มาเจ้ากลับมาจากบินตาบาทก็อาหารสามถุงให้เขาใส่ชามอแล้วก็ให้เขาไปอุ่นให้หน่อยก็เป็นสามรถรวมกันอยู่ในชามมันเดียวกันะกินอร่อยของนี้ถ้าไม่ไปดูรูปล่างหน้าตามันนะไปดูที่รถมันนะเพราะมันเป็นรถแปลกกว่าธรรมดาจืดก็ไม่จืดหวานก็ไม่หวานเค็มก็ไม่เค็มมันมีทั้งสามปอนกันอยู่ กินแล้วดีมันเปลี่ยนเวลาเบื่ออาหารกินแบบนี้ก็ดีอ้นั้นก็เบื่อไอันนี่ก็เบื่อลองเอามาปรุงแต่งใหม่เอามารวมกันใหม่ดูอะอะกจริงกินแล้วแทนที่ว่าจะไม่อร่อยมันกลับอร่อยขึ้นมาสีกก็ได้ก็ต้องระวังถ้าอร่อยก็ต้องหยุดอย่าไปอย่าไปกินถ้ามันติดมันแสดงว่ามันก็กลายเป็นกินเลสขึ้นใหม่เหมือนกันถ้ามันเกิดก็ต้องถ้ามันติดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ อย่าให้มันติดกับอะไรถ้าติดแล้วเวลามันไม่ได้กินแล้วมันจะทุกข์นั่นเองนี่วิธีกินของพระที่พทธเจ้าสอนถ้าแบบร้อเปอร์ซก็ให้คุกอาหารข้าวหวานในบาดเลยถ้าไม่ร้อยเเซนก็มีอีกแบบหนึ่งแบบที่ว่าให้ใส่เข้าไปแต่ไม่แยกใส่ไม่ต้องไปแยกมุมว่ามุมนี้เป็นอาหารหวานมุมนี้เป็นอาหารขาว มุมนี้เป็นข้าวเอมีอะไรก็ใส่เข้าไปในบาตรแต่ไม่คุกนใส่เข้าไปตักเข้าไปตักข้าวเข้าไปตักกับข้าวเข้าไปตักขนมหวานเข้าไปเอแต่ไม่ได้คุกเพีงแต่ว่าใส่ไปอย่างนี้ก็เป็นแบบที่สองแบบที่สามก็คือมีแยกมุมไว้หน่อยเอาข้าวไว้มุมหนึ่งเอากับไว้มุมหนึ่งเอาขนมไว้มุมหนึ่งออันนี้ก็ยังเรียกว่ากินแบบอ ยังมีกิเลสบ้างนิดหน่อยอเพราะยังนตนี่ก็เป็นวิธีของพระปฏิบัติที่ญาติโยมอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินได้ฟังกันวันนี้พอดีมีโอกาสก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนี่คือการอยู่แบบเรียบง่ายการอยู่แบบตัดพบตัดชาติของพระภิกษุพระพุทธเจ้าให้บิณฑบาตให้มีสมบัติใบเดียวคือบาทมีบาทใบเดียวก็ ตัดปัญหาเรื่องการกินไปหมดแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่อดตายมีบาทใบเดียวตอนเช้าถือบาทออกไปเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวก็มีคนเมตตาสงสารก็ใส่บาทให้กินเองให้มีบาทหนึ่งใบแล้วกินก็ให้กินในบาทแล้วก็ถ้าให้กินมื้อเดียวให้ถือทุวยดงขาวัดคือให้กินมื้อเดียวกินมื้อเดียวมันก็เหมือนกินสองมือ้อ เพราะว่ามันร่างท้องมันก็มีขนาดใบเดียวนะเหมือนถังน้ำมันรถนะน้ำมันรถคุณจะเติมสองครั้งหรือเติมครั้งเดียวให้เต็มมันก็ได้ปริมาณน้ำมันเท่ากันแติสองครั้งมันก็ได้น้ำมันเต็มถังเหมือนกันเติมครั้งเดียวมันก็ได้น้ำมันเต็มถังเหมือนกันแล้วเราทำไมต้องมาเสียเวลาคอยเติมมันอยู่หลายครั้งที่เราต้องกินหลายครั้งเพราะเรากินด้วยความอยากเราอยากในรสชาติอาหาร เราอยากจะกินหลายหลายครั้งถ้ากินครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้กินอีกแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้สัมผัสกับรสของอาหารเราเลยแบ่งเป็นมือๆกันถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชก็กินหลายมื้อเลยกินสี่ห้ามื้อก็มีมีมือหลักแล้วยังมีมือมือเสริมระหว่างมื้อกินมื้อเช้าเสร็จก่อนจะกินมื้อเที่ยงก็ยังมีขนมมีอะไรกินต่อย นี่เรียกว่ากินเพื่ อ, อกินเพื่อกิเลสกินเพื่อเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราต้องการกินเพื่อตัดภพตัดชาติเนี่ยเราต้องกินมันแบบด้วยเหตุด้วยผลคือให้ให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงก็กินมันทีเดียวให้มันเสร็จสับไปเลยให้มันเต็มท้องไปเลยกินหนุเดียวให้มันอิ่มแล้วก็ปัญหาเรื่องของการกินก็จะได้หมดไป แล้วเราจะได้มีเวลาไปกำจัดความอยากชนิดอื่นต่อไปเพราะความอยากของพวกเรานี้มันมีหลากหลายด้วยกันเราก็เลยต้องมีเวลาที่จะไปกำจัดถ้าเราโมแต่มายุ่งกับการกินทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติได้พวกญาติโยมที่กินอาหารแบบไม่มีขอบมีเขนีจะไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมเพื่อกาจัดความอยาก ชนิดอื่นได้เลงนั้นก็ต้องอต้องกินแบบนะกำจัดกิเลสกินแบบตัดทบตัดชาตนะินี่คือการการกินของพระภิกษุนะให้ให้ฉันในบาตรให้ฉันมือเดียวแล้วก็ให้บิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพการบิณฑบาตนี้มันจะเป็นการพึ่งตนเองนะไม่ต้องไปพึ่งใคร ถึงเวลาก็ไปหิวก็ไปบินทบาทถ้าหวังให้พึ่งคนอื่นบางทีบางวันเขามาบางวันเขาไม่มาเดี๋ยววันเขาไม่มาเอาอาหารมาให้เราเราก็จะเดือดร้อนได้เพราะบางวันเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางวันเขาอาจจะติดธุระหรือมีอุบัติเหตุดเดินทางมามาไม่ได้เดี๋ยววันนั้นก็จะอดแต่ถ้าเราไปบินทบาทของเราทุกวันนี้เราก็มีกินทุกวัน พระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการบินธบาติทรงสอนในสอนพระใหม่ที่บวชว่าให้ถือการบินธบาตเป็นวิธีเลี้ยงชีพแล้วทรงสอนในทูดงขวัตข้อวัดที่จะช่วยการกาจัดกิเลสตัณหากิเลสตัณหาที่จะช่วยกาจัดในการบินบาตก็คือหนึ่งความเกียดคร้าน การเดินบิณฑบาตนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวถือเหมือนกับการเดินจงกรมเพราะเวลาเดินไปก็มีสติอยู่การเดินเวลาเปิดฝาบาทปิดฝาบาทก็มีสติได้กําไรทั้งสองทางได้กําไรทางร่างกายและได้กําไรทางจิตใจร่างกายก็ได้อาหารได้ออกกําลังกายแข็งแรงและจิตใจก็ได้สติ ได้การได้การปฏิบัติธรรมเพื่อคอยกำจัดกิเลสตัณหาการบินตาบานี้พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอยู่สามที่สอนบุพภกิจให้แก่ภิกษุสอนในทุดงขวัตและปฏิบัติเองเป็นตัวอย่างในพุทธกิจห้าพระพุทธเจ้ามีพุทธกิจมีมีกิ จ, จวัตรหข้อหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วสข้อสี่ข้อนี้เกี่ยวกับการสั่งสอนผู้อื่น เช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนศรัทธาญาตโยมตอนค่ำก็สอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกบิณฑบาตก็เล็งยามดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ออกบิณฑบาตนี่คือภารกิจห้าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ หลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องบินฑบาทเลยไม่เหมือนกับพราสมัยนี้พอเป็นเจ้าขึ้นมาหน่อยไม่บินทบาทกันแล้วเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะอะไรนี่ไม่ต้องบินทบาดเพราะมีศรัทธาญาติโยมเอามาประเคนถึงกุฏิก็เลยไม่บินทบาทกันไม่ได้ทุกรูปมาถึงบางรูป สังรูปที่ลืมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไปก็เลยไม่ได้บิณฑบาตในหลวงราชการที่9้าตอนที่ท่านบวชท่านก็บิณฑบาตทุกวันท่านก็ปฏิบัติภารกิจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะมันเป็นวิธีเลี้ยงชีพของพระที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชีวอนี่นี่คือเรื่องของการอยู่การกินการอยู่แบบ เพื่อกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องกินต้องอยู่แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติและให้มีสมบัติไม่มากเกิน8ชิ้นมีอัฐะบริขารที่ที่จะเอามาดูแลร่างกายเลี้ยงดูร่างกายมีบาตรไว้เพื่อหาอาหารแล้วก็ให้มีผ้าไตหนึ่งชุดผ้าไตจีวรหนึ่งชุดคือผ้าสามผืนคำว่าไตรคือสาม ผ้าที่พระใช้นีมีอยู่สามชิ้นคือผ้านุ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งชิ้นถ้ายอดโยมสังเกตดูเวลาพระทำพิธีนี้จะมีผ้าพาดไหลอยู่พื้นหนึ่งผ้าที่พ้าไหลนี้คือผ้าห่มกันหนาวทำไมต้องมาเอาใบพ้าไหลด้วยทั้งๆที่อากาศมันร้อนก็เพราะว่าสมัยก่อนพระท่านอยู่ในป่า ท่านไม่มีกุฏิไม่มีที่เก็บผ้าดล้สมัยก่อนผ้าเป็นของหายากถ้าแขวนไว้ตามต้นไม้เวลาไปทำภารกิจเดี๋ยวอาจจะมีคนมาขาโมยไปโดยถูกบังคับให้เอาผ้าทั้งสามผืนนี่ติดตัวไปไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรเวลาเณฑดาตก็ให้ซ้อนผ้าเนี่ยเอาผ้าห่มกันหนาวนี่ซ้อนกับผ้าหม่มที่ห่มอยู่มัน เพื่อที่จะได้รักษาผ้าไปในตัวเพราะพระพระปฏิบัตินี้ท่านมักจะไปอยู่ในป่าในเขากันเรียกว่าพระธุดงอยู่ในป่าในเขาเวลาบิณฑบาต ท, ท่านไม่มีที่เก็บของท่านเอาของที่ท่านมีติดตัวไปหมดอัฐบริขารบาทก็ไปบิณฑบาตผ้าไตาจีวาน ก, ก็ซ้อนใส่ไปไ ม, ไม่ได้ม่ได้พาดไหลเอาซ้อนเป็นผ้าสามผืนไปเลยเป็น ผ้าห่มกันหนาวนี้มันสองชั้นแล้วผ้าห่มธรรมดาอีกชั้นหนึ่งตั้งจะห่มซ้อนไปเพื่อที่จะได้รักษาผ้าไตาไม่ไม่ทิ้งไว้ที่ไหนไม่เก็บไว้เพราะไม่มีที่เก็บถ้าไปอยู่ในป่าในเขาอันนี้เรียกว่าผ้าสามผืนผ้าไตาให้มีมีผ้าสามผืนนี้ก็พอเพียงกับการอยู่ แล้วนอกจากผ้าสามผืนก็ต้องมีประคตเอวที่เรียกว่าเข็มขัดรัดเอวเพราะผ้านี้ไม่มีกระดุมไม่มีซิบเวลานุ่งแล้วก็ต้องมีเข็มขัดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดอันนี้เป็นสมบัติชิ้นที่ห้าของผ้า ช, ชิ้นที่หนึ่งคือบาทชิ้นที่สองสามสี่คือผ้าไตาจีวรชิ้นที่4ชิ้นที่ห้าก็คือประคตรัดเอว เข็มขัดดดเอวแล้วก็ชิ้นที่6 ก, ก็คือเข็มกับได้ไว้สําหรับเวลาจีวรขาดบางทีถูกเกลี่ยน้ําถูกอะไรก็ให้มีเข็มกับได้ไว้สําหรับซ่อมจีวรแล้วก็ชิ้นที่7ก็คือมีดโกนเอาไว้ปรงผมปองหนวดชิ้นที่8ก็คือที่กรองน้ําอยู่ในป่านี้ต้องตักน้ําในบึงในห้วย ถ้าไม่มีที่กรองน้ําตักมันจะตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยถ้ามีที่กรองน้ํานี้จะตักเอาแต่น้ําขึ้นมาจะไม่ได้เอาตัวสัตว์เช่นลูกน้ําติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่พุทธเจ้าส่งมอบให้กับพระทุกรูปที่มาบวชและสอนให้มีความยินดีกับแค่สมบัติเพียงแปดชิ้นนี้ถ้าต้องการที่จะปราบพวกความอยากต่างๆ ให้อยู่ส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามมีตามเกิดเพราะสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี้จะอยู่จะปฏิบัติกันจะอยู่ตามป่าตามเขากันก็ให้อยู่ตามคนไม้คนไม้มันมีร่มไม้เยน็นอาจจะหาทาเป็นเพิงก็ได้ไว้กันฝนเอาพวกกิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพิงคอยกันแดดกันฝน หรือบางท่านก็ให้ไปอยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาถ้ามีเรือนร้างก็ไปอยู่ตามเรือนร้างหรืออยู่ตามป่าชา้าเพราะป่าช้านี่เป็นที่สงบไม่มีใครชอบไปเที่ยวอย่าไปอยู่ตามสีแยกไฟแดงตามสวนสาธารณะที่นั่นมีคนไปเที่ยวเยอะพลุกพลาดไม่ไม่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญต่อการกาจัดกิเลสตัณหา นี่คือการอยู่การกินของพระภิกษุท่านสอนให้อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่แบบเพื่อสะสมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นเพราะมีกิเลสตัณหามากก็แสดงว่าจะมีพบชาติมีความทุกข์มากขึ้นตามมานั่นเองถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ต้องคอย กำจัดความอยากต่างๆที่มันจะแทรกมากับสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่ดังนั้นถ้าสัตยาญาิโยมอยากจะรู้ว่ายังอยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดหรืออยู่แบบตัดภพตัดชาติก็ให้ดูการอยู่แบบของพระภิกษุเป็นตัวอย่างแล้วลองปรับเข้าหาดูอาจจะไม่ทำแบบเต็มร้อยเหมือนกับพระภิกษุแต่ก็ลองทำดูบ้าง ลองคุกอาหารดูบ้างสักมื้อหนึ่งดูเสื้อจะอยู่ได้ไหมจะกินได้ไหมเพราะถ้ากินได้ต่อไปเวลาไปบวชมันสบายนะมันมันจะไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารนะคนบางคนที่อยากบวชแต่ไม่กล้าบวชกันก็เพราะกลัวเรื่องอาหารนี่กลัวจะไปเจออาหารที่กินไม่ได้แต่ความจริงไม่รู้หรอกว่าถ้าลองอดสักถ้ากินวันละมื้อนี่โอ้ยถึงเวลากินนี่อะไรก็กินได้หมดนะมันหิว ข้าวเปล่ายังอร่อยเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องการที่จะกินไม่ได้เวลามันไม่กินสักสองสามวันเดี๋ยวมันเจออะไรมันอร่อยไปหมดะข้าวเปล่าคุกน้ําปลาก็อร่อยมีฝรั่งต่างชาติมาบวชนี่เขากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันแข็งเขาเลยเทน้ำเข้าไปปนมันด้วย <laughs> เห็นเห็นพระฝรั่งที่บ้านตากเวลากลับมาจากบินนบาต เวลาเขาปั้นข้าวไว้ในบาตแล้วเาก็เทน้ำเข้าไปด้วยถามก็ทำไมไม่กินข้าวเพราะข้าวมันแข็งต้องมีน้ำใส่เข้าไปมันจะได้นิ่มจะได้กินง่ายหน่อยฝรั่งต่างชาติก็ยังมาบวชอยู่ทางภาคอีสานได้เขาก็ยังอยู่กินของเขาได้เพราะเขามุ่งไปที่พระนิพพานกันเขาไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันยัง การที่จะไปพระนิพพานนี้เราก็ต้องจำจำเป็นที่จะต้องสละความสุขของทางกิเลสไปอย่าหาความสุขของกิเลสยอมอดความสุขของกิเลสแล้วมาหาความสุขของการหลุดพ้นจากความทุกข์ดีกว่าก็ต้องกินอยู่แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กินให้อยู่กันแล้วก็ให้ปฏิบัติให้คอยกําจัดกิเลสความอยากต่างๆ ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ลองถามตัวเองว่าอันนี้มันจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทำมันอยากซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ดูใหว่าเสื้อผ้าชุดเก่าพอใช้ไหมถ้าพอใช้ก็ไม่จำเป็นถ้าต้องใช้เพราะว่าชุดนี้ต้องใส่ไปทำงานหรือ ม, มีงานบริษัทมีเครื่องแบบที่เราไม่มีอย่างนี้จำเป็นก็ต้องมีก็ซื้อได้ แต่ถ้ามันไม่จำเป็นเพียงแต่เห็นว่ามันสวยแล้วคิดว่าใส่แล้วจะเสริมบุคลิกของเราให้สวยให้งามขึ้นก็อย่าทำดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลอกเราเนี่ยนมันเสริมไม่ได้หรอกบุคลิกเสื้อผ้าบุคลิกจะเสริมต้องเสริมด้วยธรรมะคนเราจะสวยจะงามมันต้องสวยงามทางจิตใจไม่ใช่สวยงามทางร่างกาย เพราะร่างกายคนฉลาดเขามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเขาก็เห็นแล้วว่ามไม่มีอะไรน่าดูน่าชมจะจะเสริมบุคลิกยังไงจะใส่อะไรเข้าไปเขามันก็ปิดบังสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังไม่ได้พอใครมองเข้าไปทะลุใต้ผิวหนังได้มันก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรน่าสวยน่างามในร่างกายดังนต้องสวยงามที่จิตใจคนเราที่เราชอบที่รักกันนี้ก็รักกันที่จิตใจ คนที่มีศีล yarn, มีธรรมนี้มีศีลมีสัตว์นี at, ้เป็นคนที่น่ารักกับคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์ให้เลือกระหว่างคนที่ชอบโกหกกับคนไม่ชอบโกหกเราจะเลือกคบใครดีเลือกกับคบกับคนที่ชอบรักทรัพย์กับคนที่ไม่ชอบรักทรัพย์ชอบคบกับคนที่ประพฤติผิดประเวณีหรือไม่ประพฤติผิดประเวณีดนะีถ้าลองเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเราก็เห็นคุณค่าของคนที่มีศีลมีสัตว์น เคนเราสวยงามที่ศีลที่สัตว์ไม่ได้สวยงามที่เสื้อผ้าไม่ได้สวยงามที่หน้าตาร่างกายไม่ช้าก็เร็วล่างกายที่สวยงามในวันนี้มันก็ต้องกลายเป็นหน้าตาของคนแก่ไปหน้าตาของคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นหน้าตาของคนตายไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราอย่าไปหลงไหลกับมันให้ดูแลมันเพื่อให้มัน ไม่ไม่สกปรกก็พอก็ไม่ให้มันส่งกลิ่นเหม็นอาบน้ําอาบท่าชำระร่างกายหวีผ้าวหวีผมให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสําอางชนิดนั้นชนิดนี้เป็นการเสียเงินเสียทองเสียเวลาและจะทําให้จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมนั่นเอง ถ้ามัวละมัอคอยมายุ่งเกี่ยวกับการสํมสวยความงานอยู่นี่จะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้คนที่ยังชอบรักสวยรักงามนี่ไปถือศีลแปดไปได้เพราะศีลแปดเขาห้ามไม่ให้ใช้เครื่องสาํามางไม่ให้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยสดงดงามให้แต่งกายแบบเรียบง่ายแต่งกายเพื่อปกปิดอวัยวะเท่านั้นเองเพื่อปกป้องรักษาร่างกาย ไม่ให้ถูกภัยเช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือภัยจากความหนาวมาทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ประดับด้วยเพชรด้วยพลอยหรื อ, อสีสันอะไรต่างๆเหล่า น, นี้อันนี้เป็นวิถีชีวิตของกิเลสตัณหาของกามารตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยๆงา ม, งาม ก็จะเป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความอยากต่างๆที่พวกเราจะต้องคอยสังเกตดูถ้าเราอยากที่จะกำจัดความอยากชนิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราต้องเริ่มตั้งแต่ความอยากที่เรามีอยู่ในที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราลองเลือกดูแยกแยกแยะดูว่าอันนี้เป็นความอยากหรือเป็นความจําเป็น โดยถ้าเป็นความอยากที่ดีก็เก็บไว้ได้ถ้าอยากทาบุญทาทานอยากรักษาศีลอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นความอยากที่ดี ท, ที่ที่ทได้แต่ถ้าเป็นความอยากที่จะให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยากให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเราก็ต้องพยายามกำจัดมันไป ในเบื้องต้นก็กำจัดไปแบบนี้ไปก่อนเพื่อที่เราจะไดออ้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพราะว่าการที่จะทำตามความอยากต่างๆนี้เราต้องมีเงินทองทำกันเมื่อเราต้องมีเงินทองทำตามความอยากเราก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองเมื่อทางานหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติทําได้นั่นเอง ถ้าต้องการมีเวลาไปปฏิบัติธรรมเราก็ต้องลดการทำงานให้น้อยลงการจะดลดการทำงานให้น้อยลงก็ต้องลดรายใจ่ายให้น้อยลงรายจ่ายจะน้อยลงต่อเมื่อเราลดความอยากที่ไม่ดีให้มันน้อยลงความอยากซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องตัดมันหรือลดให้มันน้อยลงไปเมื่อเราลดรายจ่ายเราก็ไม่ต้องเราก็ลดการหาเงินได้ลดรายได้ เมื่อเราทำงานน้อยลงเราก็จะมีวันเวลาว่างที่เราจะได้ไปฝึกหัดปฏิบัติธรรมต่อไปไปถือศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ถ้าไม่มีเวลาถ้าเรามัวแต่มาทำหาเงินเพื่อเอามาใช้กับความอยากเราก็จะติดอยู่ในวงจรนั้นหาเงินมาก็เอามาใช้ตามความอยาก พอหมดก็ต้องไปหางานต้องไปทำงานต่อก็จะไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาธรรมะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมกันอะงนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือเราต้องลดรายจ่ายลงให้ให้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นปัจจัยสี่สิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มันเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้อยู่เรื่อย เพราะว่าถ้าเราใช้แล้วมันจะติดเคยซื้ออะไรแล้วมันจะติดเคยเที่ยวเคยดูเคยฟังอะไรแล้วมันจะติดต้องดูต้องฟังต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้เที่ยวก็จะรู้สึกงดหกิดลำคาญใจทนไม่ไหวก็ต้องไปดูไปฟังไปเที่ยวเมื่อไปดูไปฟังไปเที่ยวมันก็ต้องใช้เงินเมื่อใช้เงินเงินไม่พอก็ต้องทางานก็ต้องคอยทางานหาเงินมาใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ทำได้อย่างมากก็แค่ทำบุญทำทานเท่านั้นเองและรักษาศีลห้าไปแต่ถ้าจะทำอะไรให้ไปมากไปกว่านั้นเช่นศีลแปดหรือการไปฝึกสติไปฝึกสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีเวลาทำนี่คือเบื้องต้นถ้าเรายังอยู่ในในระดับของการใช้เงินทองอยู่ เราต้องหาวิธีกำจัดการใช้เงินทองให้มันน้อยลงไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองมาใช้นั่นเองเพื่อเราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาศึกษาและมาปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปคือขั้นภาวนาเนี่ยเองขั้นศีลแปดขั้นภาวนาต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานการหาเงินหาทอง ดังนั้นเราต้องคอยมาสำรวจดูว่าอความอยากเหล่านี้เราเลิกได้หรือไม่ถ้าเลิกได้เลิกมันดีกว่าเมื่อเลิกเราก็จะประหยัดรายจ่ายประหยัดรายจ่ายเราก็จะได้ไม่ต้องไปหางานไม่ต้องไปทำงานมากจะได้มีเวลาว่างพอมีเวลาว่างเราก็จะได้ไปศึกษาไปอยู่วัดไปฟังเทศฟังธรรม ไปหัดนั่งสมาธิไปหัดเดินจงกรมดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธพุทโธศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้จักอริยสัจสีว่าเป็นยังไงไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรถ้าเราได้ความรู้เหล่านี้และได้ปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติสติสมาธิรับรองได้ว่าต่อไปตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ มันจะถูกกําจัดให้ไปหมดได้อย่างง่ายได้พระพุทธเจ้าถึงกับรับประกันเลยว่าถ้าได้มาปฏิบัติแบบเต็มร้อยแล้วนี้ไม่เกินบางถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการรับประกันของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตร ถ้าไม่เชื่อลองไปเปิดสติปฐานสูตรดูที่ปลายพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าใครได้ปฏิบัติตามสติปฐานสูตรสติปฐานสูตรก็สอนให้แสดงให้ให้เจริญสติให้มีสติเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากที่มีสมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาตายัก ในร่างกายในเวทนาในจิตในธรรมถ้ามีปัญญาเห็นอันนี้จังทุกข์ขานในกายในเวทนาในจิตในธรรมแล้วก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจจิตก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายจิตก็ถึงพระนิพพาน จิตที่เป็นนิพพานก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังคือเป็นความสุขของจิตที่สงบจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาจะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่เกิดสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา ตั้งแต่วันบวชคือวันที่ทรงสละราชสมบัติขณะที่มีพระชนชีพอายุ29ปีแล้วก็ไปศึกษาไปกับครูบาอาจารย์ต่างๆหลังจากศึกษาจนไม่มีใครสามารถที่จะสอนเพิ่มเติมได้ก็ท่งไปค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบทางสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทรงค้นพบพระอริยสัจ ส, สี ทรงค้นพบตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นมาก่อนวันนั้นเรียกว่าเป็นวันตัดจะรู้วันที่พระธเจ้าได้เสด็จดับขันวันที่พระเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานในวันในวันที่ทรงตัดจะรู้คือในขณะที่มีพระชนชีพสามสิบห้าปีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีกสองเดือนก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนทําหน้าที่เป็นพระบรมศาสดา สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทุกวันที่มีแสดงไว้ในพุทธกิจห้าแสดงถึง45ปีด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตวันที่พระพุทธเจ้าต้องสละร่างกายเพราะร่างกายนี้ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้สึ้นลงหมหายใจเราก็เรียกวันนั้นว่าวันเสด็จดับขันธะปรินรณิพานเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าไปนิพานต้องไปที่ตอนที่ตาย ไปถึงนิพพานตั้งแต่วันที่ตัดจรู้แล้วเศบรมังสุขของพระนิพพานตั้งแต่วันที่ตัดจะรู้ร จ, รรขขร จ, รจิตเป็นปรมังสุ ข, ขังตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีไปจนถึงอายุแปดสิบปีแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้สองร้อยกว่าปีมาแล้วจิตของพระเจ้านี้ก็ยังปล ร, ปรมังสุขขังอยู่เหมือนเดิมและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของ วันวิสาขาบูชาวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของพวกเราคือวันประสูติวันตัดเซลุและวันเสด็จดับกันท่าปารินิพานที่พวกเรามาลำลึกถึงกันเพื่อเป็นกัดเป็นค ต, เนติเตือนใจสอนใจให้เราเอาวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างให้พวกเรามาปฏิบัติแบบที่พพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่พวกเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของวันวิสาขาบูชาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเราขออนุโมทนาให้พรยะาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติ อิทิตังปัติตังตุ მ หังคิปะเมวะสมิตาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวาจจานตุสัพพโรโขวินาสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะอาิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็ เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ต้องการถามด้วยตนเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมด172คน YouTube 282คนวิทยุออนไลน์20คนิูคนพุฟังบนเขา182คน รวมทั้งหมดหกร้อยห้าสิบหกคนครับผมใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นจะส่งไม้ไปให้พูดใกล้ๆปากเลยจะถามเรื่องวิธีการภาวนาครับก็ตอนนี้ผมใช้อานาปานสติอยู่แต่ว่า หายใจเข้าเนี่ยผมคิดว่าคือทุกอย่างมันเป็นแค่สภาวะครับแต่ว่าหายใจออกก็คิดว่าตัวเองเป็นแค่คนที่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับทําอย่างนี้ไม่ถูกหรอกถ้านั่งสมาธินี่ไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าลมกําลังเข้าลมกําลังออก ไม่ใช่คิดอะไรทั้งปวงเวลาทำสมาธิต้องการหยุดความคิดให้จิตสงบให้จิตมีความสุขให้จิตเป็นอุเบกขาคิดไม่ได้เรื่องคิดนี้ต้องอี ก, อกขั้นตอนนึงให้ผ่านสมาธิไปก่อนเหมือนเรียนตอนที่จะไปปริญญาโทให้ผ่านปริญญาตรีก่อนอย่าเพิ่งไปปริญญาตรีกับโทรพร้อมๆกันไปไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องหยุดความคิด การปัญญาถึงค่อยคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีมีมามีไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อันนี้ต้องอีกขั้นหนึ่งก่อนต้องหลังจากที่ผ่านขั้นสมาธิไปได้ก่อนผมหมายถึงว่าทำตอนที่อยู่ระหว่างทำงานนะครับแต่ถ้าตอนนั่งสมาธิก็เป็นอีกอย่างอ่าก็คุณไม่ได้บอกคุณไม่ได้บอกคุณอยู่ทาขั้นไหนตอนไหน คุณจะทำยังไงก็ได้เพียงแต่เราบอกให้รู้เท่านี้แล้วคุณก็ไปทำก็แล้วกันครับอขอบคุณครับมีมีคำถามจากบนเขานะคะที่เรียกว่าสายปัญญาต่างกันอย่างไรกับสายที่เรียกว่าศรัท ธ, ธาค่ะคือการจะไปสือพระนิพพานนี่มันมีห้า หเลนด้วยกันเป็นเส้นเดียวกันถนนห้าเลนเข้าใจไหม เ, เลนแรกเรียกว่าศรัทธ า, เ, า เ, ลเลนที่สองเรียกว่าวิริยะความเพียรความขยันเหมือนเพียรเลนที่สามเรียกว่าสตเาิเลนที่สี่เรียกว่าสมาธิและเลนที่ห้าเรียกว่าปัญญ า, าต้องมีทั้งห้าสายถึงจะไปถึงพระนิพพานได้สายใดสายหนึ่งนี้ไปไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณนันนิชาดิฉันเพิ่งหัดปฏิบัติธรรมเวลาฝึกกรรมฐานและสวดมนต์จะมีความคิดฟุ้งซ่านชวนจิตออกไปนึกคิดเรื่องอื่นๆอยู่ตลอดเวลาที่ฝึกกรรมฐานและสวดมนต์พระอาจารย์มีวิธีการกำหนดจิตยั ง, ยงไงให้นิ่งไม่ฟุ้งซ่านงบ้างไหมเจ้าคะ ก็ต้องฝึกต้องกำหนดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่มากำหนดเฉพาะเวลาที่เรามาปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติที่แท้จริงนี้ต้องปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องกำหนดจิตให้ไม่ให้คิดด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจพอจิตจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ต้องเฝ้าดูอิเลยาบทของร่างกาย ว่ตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนก็ให้จิตเกาะติดอยู่กับอิรดียบทของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวต่อไปจิตก็จะไม่คิดเราต้องหัดหยุดคิดก่อนที่เรามาจะมานั่งสมาธิถ้าจะมาหยุดตอนที่มานั่งสมาธิมันไม่มันหยุดไม่ได้มันไม่มีกําลังเพราะมันไม่เคยหยุดมาก่อนคําถามจากคุณพิมพ์ชโนก ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการนั่งภาวนาขั้นต้นแบบบริกรรมพุโทโธพุโทโธตามลมหายใจที่ปลายจมูกเข้าและออกไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจสิ่งที่มากระทบรอบกายและกระทบในใจนั่งให้สบายอย่างนี้ทําถูกต้องแล้วหรืออย่างไรเจ้าคะถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออก แล้วไม่ไปสนใจกับสิ่งอื่นก็ถือว่าถูกต้องแต่ต้องทำไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบถึงจะได้ผลถ้ายังไม่สงบยังไม่รวมยังไม่นิ่งก็ต้องทำไปเรื่อยๆคำถามจากคุณพิทักษ์กิมสุมเนินกลาบนามัสการครับพระอาจารย์ในช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาสำรวจดูจิตในขณะนั้นว่าจิตว่างเป็นสมาธิแล้ว ก็เดินทางด้านปัญญาด้วยการพิจารณาเส้นผมให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงจนจิตรับรู้และเข้าใจในช่วงขณะนั้นแต่การเดินของปัญญายังเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรอย่างนี้ถือว่าสมาธิของเรายังมีกำลังไม่มากพอใช่ไหมครับถูกต้องแล้วควรจะเติมสมาธิให้เต็มถังก่อน ควรจะฝึกสมาธิอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเหมือนกําลังเติมน้ํามันอยู่อย่าเพิ่งขับรถนะเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วค่อยเอารถวิ่งออกรถวิ่งไปขณะที่เติมน้ํามันอย่าเพิ่งไปขับรถนะจะไม่เวลาเราเติมน้ํามันเราขับรถไปด้วยเปล่ให้บอกรีบจะรีบไปว่าเช่อเติมให้หน่อยมันไม่ได้นะเวลาเติมน้ํามันก็ต้องจอดรถนะแล้วเติมให้มันเต็มถังพอมันเต็มถังแล้วทีนี้ค่อยไปขับรถไปไหนมาไหนต่อไป ฉั้นใดเวลาทำสมาธิก็เหมือนเติมอุเบกขานี่เติมความสงบให้กับใจถ้านั่งสมาธิสงบเพียงหนึ่งนาทีมันก็ได้อุเบกขาออกมาก็ได้แค่หนึ่งนาทีออกจากสมาธิมาหนึ่งนาทีอุเบกขาก็หายไปถ้านั่งได้สามสิบนาทีอุเบกขาได้สามสิบนาทีออกมามันก็จะมีอุเบกขาสามสิบนาทีเน้นต้องพยายามนั่งให้มันอุเบกขานา น, านๆแล้วออกมาก็ต้องพยายามรักษาสติ ให้รักษาอุเบกขาไว้เพราะถ้าปล่อยให้ไปคิดปับ๊บเดี๋ยวอุเบกขาก็หายไปแล้วพอควบคุมความคิดไม่ได้มันทำลายอุเบกขาไปเพราะอุเบกขาหมดก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ต้องฝึกทำอย่างนี้ไปจนกว่าจิตของเราจะมีอุเบกขาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกมาจากสมาธิอย่างนั้นเรียกว่าเติมเต็มถังแลยเติมอุเบกขาได้เต็มถัง ทีนี้เราก็ออกจากสมาธิมาก็เราก็พิจารณาร่างกายได้พิจารณาร่างกายว่ามีอาการสามสิบสองไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อปล่อยวางคำถามต่อไปคำถามจากคุณวรชัยยาเตรียนถามพระอาจารย์ ควรจะวางใจอย่างไรเมื่อเราเห็นข่าวการกระทาของผู้อื่นที่เอาสัญลักษณ์ทางศาสนาไปกระทำในทางที่ไม่ควรกราบนมัสการก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยก็ทำไปศาสนาไม่ได้เสื่อมจากการกระทำของเขาหรอกการศาสนาเสื่อมจากพวกเราน่ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า งั้นถ้าเราอยากจะรักษาศาสนาพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้วใครจะป้ายร้ายป้ายสีใครเอาอุจจาระเอาอะไรมาราดมันก็ไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมไปได้ศาสนาเสื่อมเพราะชาวพุทธไม่ปฏิบัติกันงั้นเราพยายามรักษาศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการหลุดพน้นถ้าวิมุตติหลุดพน้นบรรลุเป็นพระอริยนีเนี่ยศาสนาก็จะอยู่ไปเรื่อย ่ไมมีใครที่จะ ำ, จจำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอกราบเยินถามพระอาจารย์ค่ะถ้าบางครั้งเราเห็นพ่อแม่เราทำผิดศีลธรรมในทางกายวาจาหรือใจแล้วเราบอกท่านว่าสิ่งนี้เป็นบาปผิดศีลธรรมกรณีเช่นนี้ถือว่า เราพูดจาล่วงเกินพ่อแม่ไหมคะก็ไม่ควรพ่อแม่เป็นบุคคลเป็นอาจารย์ของเราเราเป็นเราเป็นนักเรียนเราไม่ไปสอนครูนอกจากครูขอคำปรึกษาก็ถึงค่อยสอนได้ไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นพ่อทพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกก็บอกฮะไม่ได้นะพ่อทำอย่างนี้ไม่ได้นี่ไม่ถูกไม่ใช่ฐานะของเราแต่ถ้าพ่อมาปรึกษาว่าทำอย่างนี้ถูกไหม แล้้วกก็บอไดคำถามจากคุณอริยพรถ้าเราบอกเลิกคนรักที่รักกันมาสิบเอ็ดปีและคนนั้นเขาเสียใจจนคิดฆ่าตัวตายไปเลยทั้งที่เราบอกเขาให้เขาคิดดีและมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อแต่เขาไม่ฟังเราเลือกที่จะตัดโดยการตายจากไปเลยเราเองจะบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกถ้าเราไปบอกเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาไปฆ่าตัวตายถ้าก็อยากจะฆ่าตัวตายก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปขยันขยอบพี่ตายเด้อที่อย่าอยู่เลย <laughs> <laughs> แต่อย่างเงี้ยมีส่วนออทํำเองก็ดีแล้วบอกให้เขาทําก็ดีถือว่าบาปแต่ถ้าเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะ แต่ก็รับสภาพกับความจริงไม่ได้ว่าอยู่ในโลกนี้ก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเป็นธรรมดาเมื่อเเมมืื่่ออไม่ยอมรับความจริงอยากจะฆ่าตัวตายหนีความจริงไปก็ไม่มีใครเขาว่าเลยไม่ไม่มีใครบาปคนคนที่ฆ่าตัวตายนั้นนะ่ะบาปคำถามจากคุณปุ้มกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะลูกขอเรียนถามว่า ถ้ามีคนมาพูดกับเราประมาณว่าเรายังห่างไกลนักกับการคิดจะไปถึงพระนิพพานเพราะเราปฏิบัติไม่จริงจังแบบนักบวชถ้าจะให้ดีให้เราเอาทางโลกก่อนทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยก่อนให้มันเบาและหมดภาระทางโลกก่อนสะสมบารมีไปเรื่อยๆแล้วค่อยคิดถึงพระนิพพานพอได้ยินได้ฟังอย่างนั้น เราเกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าถ้าทำประมาณนั้นเราก็จะวุ่นวายกับเรื่องหาเงินอยู่ไม่จบสักทีอีกทั้งวุ่นวายทั้งชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่อีกใจก็คิดว่าที่เขาพูดมันก็ใช่อยู่นะเพราะเรามันปฏิบัติแค่แบบมือสมัครเล่นอยู่เป็นคาราวาชครองเรือนอยู่มันเกิดความลังเลในใจขึ้นมาว่า เราจะทําแบบไหนดีให้เหมาะสมกับเราที่เป็นผู้หญิงขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะ อ, อ๋อมันเป็นเรื่องปกติเวลาเริ่มต้นก็ เ, เป็นมือสมัครเล่นก่อนนันนะฮะก่อนที่จะไปเปลี่ยนไปเป็นมืออาชีพได้นะก็ต้องเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็แก่กล้าขึ้นมาเองมันก็กลายเป็นมืออาชีพต่อไปได้ แต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราก็ไม่มีทั้งมืออาชีพไม่มีทั้งมือสมัครเล่นไปทําอย่างอื่นก็เท่ากับว่าเราไม่มีทางที่จะไปทางนี้ได้เลยพอมาถึงเวลาก็ต้องต้องกลับมาเริ่มต้นที่มือสมัครเล่นใหม่อยู่ดีไม่มีใครอยู่ดีๆจะไปเป็นมืออาชีพได้เพรดังนั้นต้องเป็นหัดต้องฝึกอยู่ในระดับมือสมัครเล่นไปก่อนทําเท่าที่เราทําได้เท่าที่เวลาที่เรามีอยู่ไปแล้วพยายามเพิ่มเวลาด้วยการลด กิจกรรมอย่างอื่นให้น้อยลงไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาทำการปฏิบัติธรรมให้ได้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะมีความชํานาญมีความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงระดับที่รู้ว่าต่อไปนี้ไปบวชได้ไปเป็นมืออาชีพได้ต้องเป็นมือสมัครเล่นก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเป็นมืออาชีพไปท้าแข่งกับแชมป์นี้ไม่ได้ เราต้องฝึกไปฝึกซ้อมมวยวัดไปก่อนซ้อมไปแล้วก็ค่อยไปต่เต้าตามสนาำตามจังหวัดตามอะไรตามอำเภอไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่ายเต้าตามระดับประเทศต่ตอไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็ต้องเริ่มต้นที่มือมือสมัครเล่นนะถ้าไม่เริ่มต้นเลยมันก็จะไม่มีวันเริ่มต้นถ้าไปทางโลกมันก็เหมือนกับยูเทิร์นจะไปนิพพานแล้วก็เปลี่ยนใจเอกลับไปเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าวะ เพราะเราไม่ใช่มืออาชีพถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปนิพพานได้ถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องเริ่มแบบล้มลุกคุก ค, คานะเหมือนเด็กอะ่ะเด็กตอนต้นจะให้มันลุกขึ้นมาเดินยืนวิ่งได้เลยมันไม่ได้เด็กก็ต้องหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งก่อนฉะนั้นใดการปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะนั้น<ม>ถึงแมาจะให้ไปบวชเป็นมืออาชีพก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้ายังไม่มีปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวอยู่แล้วมันก็เบื่อมันมีเวลาว่างมากเกินไป ไม่รู้จะทำกับอะไรก็มานั่งคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวเดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาเขาแต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติตามที่เรามีเวลาของเราแล้วคอยตัดคอยความตัดความอยาก ต, ตัดความผูกพันไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะตัดได้แล้วเราก็จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ต่อไปนั้นทำต่อไปเถิดอย่าเลิกอย่า ก, กลับไปทาง ทางการเวียนว่ายตายเกิดเลยถึงแม้จะในทางทางโลกจะว่าดีก็ตามแต่มันเป็นดีชั่วข้าวดูแค่ตายดีแค่ตายเท่านั้นแหะ mm. เดียวตายแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแตถ้าเราเอาเวลามาปฏิบัติ ท, งทางธรรมอาจจะไปได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ได้ mm. ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วมีใครรับประกันว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบ้าง อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ไม่รู้มาก่อนก็ได้แล้วโอกาสอันดีที่จะได้ปฏิบัติก็ไม่มีเพราะเราเวลามีเราเอาไปทำทางโลกแทนแทนที่จะมาทำทางธรรมให้คิดถึงความตายบ้างให้คิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตบ้างมันจะได้ไม่ประมาทคำถามต่อไปจากคุณมงคล กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับตัญหาเกิดขึ้นมาในจิตเราได้อย่างไรครับเกิดจากอาวิชชาไงอวิชชาคือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเราหลงไปคิดว่าความสุขอยู่ข้างนอกใจอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยอยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสเพื่อมาให้ความสุขกับใจหมดแล้วนะ แต่พอมาศึกษาทำมันก็จะได้ความรู้ความจริงว่าอ๋อความสุขที่แท้จริงที่วิเศษที่สุดนี่อยู่ในใจของเรานี่เองมันก็จะหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันก็จะกลับมาหาความสงบพอสงบจิตก็ไม่มีความอยากจิตก็มีแต่ความสุขมีคําถามอีกไหมอ่าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ